ศีลในความหมายที่เป็นหลักกลางอันพึงถือเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานจากความหมายหลักตามพุทธโพธิตรัตจำกัดความอันเป็นประดุดแกนกลางของการฝึกอบรมขั้นศีลธรรมที่เรียกว่าอธาิศีลสิขานี้ก็กระจายออกไปเป็นข้อปฏิบัติและหลักความประพฤติต่างในส่วนรายละเอียดหรือประยุกยางกว้างขวางเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ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 แล้วตรัสกูศละการมาบทสิบที่เป็นโซจัยยะคือเครื่องชำระตัวให้สะอาดดังต่อไปนี้